เรื่องของเด็กหนุ่มชื่อมะถะัถกุลทลีมะถะัถกุลทลีเป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลพรามพ่อแม่เป็นคนมั่งคั่งมาแต่ตรณีเหนียวแน่นจนคนทั้งหลายให้สมให้สมัญญาว่าอธิณะปุพภะกะแต่ว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองตีแผ่ทําเป็นตุ้มหูเกลี้ยงเกลี้ยงให้ลูกชายหนึ่งคู่ คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ามะทาคุนทลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลียงตุ้มหูนั้นพ่อเป็นคนทําให้เองไม่ได้จ้างช่างทองเพราะเกรงจะเสียค่าจา้างเมื่ออายุ16ปีมะทาคุณทลีป่วยหนักบาลีว่าเป็นโรคผอมเหลืองคือวันโรคนั่นเองมานามานดามองดูบุตรแล้วเกิดความสงสารจึงขอร้องให้สามีไปหาหมอ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 มาตตกคุณธลีเข้ารู้ได้ทันทีว่าเหลือแรงที่จะรักษาจึงบอกปฏิเสธไม่ยอมรักษาบอกให้พราหม์ไปหาหมอคนอื่นพราหมณ์รู้ว่าลูกของตัวคงตายแน่เกรงว่าคนมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจึงช่วยกันหาลูกชายออกมานอนที่ระเบียงเรือนนอกห้องวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของคนที่พระองค์ควรจะโปรดทรงเห็นอุปนิสัยของมัตคุณธลีจึงเสด็จมาโปรด ขณะที่พระาศาสดาเสด็จมาถึงนั้นมะทาคุณธลีกําลังนอนพินหน้าเข้าหาฝาเรือนพระาศาสดาทราบว่ามานพไปเห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรกันเนอะแล้วพินหน้าออกภายนอกได้เห็นพระาศาสดาคิดว่าเพราะบิดาของเราเป็นอันผลานเราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแห่งฝา น, นี้ไม่ได้ขวนขวายในกิจที่ชอบ ไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมแต่ยังได้อย่างหนึ่งเลยบัดนี้แม้แต่มือของตัวเองเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรดังนี้แล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระาศาสดาพระพุทธระพุทธองค์ทรงทราบว่ามัตะกุณทรีทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จออกไปพอรับตาเท่านั้นมัะตกุณเทรีก็สิ้นฉีพเกิดในวิมานทองเสมือนว่า หลับแล้วตื่นขึ้น <c oughs> ฝ่ายพราหมิดาทำชาพนกิจศพลูกชายแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ไปยืนร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันคร่ำครวญว่าลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อเถิดเทพบุตรมทัทคุณธลีรู้สึกตัวอย่างสมบูร์ในเทวโลกแล้วพิจารณาถึงที่ประสมบัติของตนก็รู้เห็นโดยตลอดว่าได้มาเพราะทำกิจให้เลื่อมใสในพระาศาสดา ได้มองเห็นพรามบิดายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าชาจึงจำแรงเพจคล้ายมาถักนุนตรีมานบลงมายืนกอดแขนร้องไห้อยู่ในอีกมุมหนึ่งของป่าชาเขามีความประสงค์จะเอาน้าบง่งมาบ่งน้าในใจของพรามพรามได้ยินเสียงคนร้องไห้เหลียวไปเห็นมานบคล้ายมาถากุณทรีบุตรของตนจึงเดินเข้าไปหาและถามว่าพ่อหนุ่มท่านแต่งกายท่านแต่ง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 มานพพูดเจริญท่านจะต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีหรือโลหะจงบอกมาเถิดข้าพเจ้ารับประกรันว่าจะจัดหามาให้ท่านมานพคิดว่าดูดูพรามนี้ช่างเป็นไปได้เมื่อบุตรของตนป่วยหนักนั้นไม่ยอมเสียเงินรักษาแม้เพียงเล็กน้อยปัตนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจ่ายลอรถให้ไม่ว่าเป็นล่อทองหรือลอเงินอ่าพรามนี้เป็นอันธพาลจริง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 ท่านโง่เขลาเหลือเกินท่านตายแล้วเกิดเล่าอีกสักเท่าใดก็ไม่อาจดึงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นรอรดของท่านได้มานกตอบว่าพรามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่พ่อมองเห็นได้ส่วนท่านร้องไห้คร่ำครวญต้องการสิ่งอันเคล้ายก็มองไม่เห็นในในระหว่างเราทั้งสองใครเป็นพานกว่ากันใครโง่กว่าใครพรามได้ฟังดังนั้นก็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 ท่านได้ถอนลูกสอนคือความโศกออกจากขาทัยของข้าพเจ้าเสียได้คำของท่านประเสริฐนะักช่วยดับความร้อนแะความโศกในใจของข้าพเจ้าได้แลแล้วพรามได้ถามว่ามานพนั่นคือใครมานพ ก, ก็บอกว่าเขาคือมัทธคุณทลีบุตรของพรามนั่นเองได้ทํากุศลกรรมไว้ก่อนตายจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพรามกล่าวว่าอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นบุตรของตนให้ทาน หรือรักษาศีล <c oughs> แต่ประการใดมานพไปสู่เทวโลกได้ด้วยกรรมอันใดมานพเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้ฟังพราหมณ์ฟังแล้วเกิดปิติพราหมณ์หมดเป็นอันมากกล่าวว่าน้าอัศจร ร, จริงเนาะหน้าประหลาดจริงหนอการทําอัญชลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงป่านนี้ข้าพเจ้าจักทําใจให้เลื่อมใส่นับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้ทีเดียวพราหมณ์ได้ ปฏิญาณตนกลับมานอบว่าจะารักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรัะตนใจแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลอาราธนาให้ไปสวยพระาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระศ า, าสดาทรงรับเมื่อถึงเวลาก็เสด็จไปบ้านพราหมณ์ประชาชนมาประชุมกันมากพวกหนึ่งตั้งใจมาดูพราหมณ์ต้อนพระพุทธเจ้าโดยการถามปัญหาพวกหนึ่งต้องการมาดูพุทธวิสัยพุทธลีลา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 แกลงสงสัยและถามพระศาสดาก็ทรงเล่าเรื่องการพบปะและการสนทนาทั้งปวงระหว่างมัถคุณธีเทพบุตรและพราหม์นั้นพระศาสดาทรงทราบว่ามหาชนที่มาประชุมกันยังไม่สิ้นสงสยัยจึงทรงอธิษฐานให้มัถคุณธีเทพบุตรลงมาพร้อมทั้งวิมานพระองค์ทรงสัมภาษณ์เทพบุตรนั้นมัถคุณธีเทพบุตรทูลตอบตามความเป็นจริงทุกประการ มหาชนได้ฟังการถามการตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและเทพประวุตแล้วอุทานออกมาด้วยปิติสมนัตและเลื่อมใสว่าดูเถิดท่านทั้งหลายหมุดของพราหมณ์ชื่ออธินะปุพกะไม่ได้ทําบุญอย่างอื่นเลยเพียงแต่ทําใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้สมบัติถินป่านนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณหน้าอัศจรรย์แท้พระศาสดาจึงตรัสพระภาสิตที่กล่าวไว้ว่า มนโนปุพังคมาธรร ม, มามนโนเศรษฐามนโนมยามณัษยจะประสันเนนะพาสติวากโรติวาตะโตสุขะมันเวติชายาวะอนุปายินีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีใจผ่องใสการทำการผูก้กบพลอยดีไปด้วยเพราะความดีนั้นความสุขติดตามมาเหมือนเงาตามตน